วันนี้เป็นวันที่สิกันยายนพุทธศักราช2553ัวันนี้ก็ฝนตกไม่มากแต่ก็ช่วงหลังๆฝนตกทำให้เสียหายเหมือนกันพวกชาวนานะในเขตอำเภอนายูงของเราก็นะ่ะแถวบ้านสมสวรรค์วังเราน้าท่วมในระวัง น้ำลางกับน้ำสมประสบกันไหลลงน้ำโขงไม่ทันก็ทำให้น้ำท่วมทุ่งนาของพี่น้องประชาชนลูกหลานเหมือนกันเสียหายพอสมควรตินฟ้าอากาศแล้วอีกในพรรษาในหลวงพอ่อคิดว่าคงจะได้ลงไปทางจันท บ, บุรีอีกเหมือนกันนาะโองงานครอบครอบวันมรณะภาค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 บุญกุศลที่ได้สั่งสมมาที่ได้สร้างมาเนี่จะได้มาพอไปคิดถึงหลวงปู่ฟักวัดขาวน้อยสมผานก็ไปคิดถึงหลวงปู่แสวงหลวงปู่แสวงกับหลวงปู่ฟักเนี่ยออกไปจากวัดป่าบันตาด้าจะว่าไปแล้วก็เป็นเพื่อนกันหรือว่าพันษาใกล้เคียงกันรักกันพูดกันรู้เรื่องว่างั้นดะ แต่หลวงปู่แสวงเป็นคนทับอีสานแต่หลวงปู่ฟักเป็นคนจันทบุรีครแต่นี้หลวงปู่แหวงเนี่ยเคยเป็นอนักประพันธ์เป็นหมอลำเก่าเหมือนนท่านเคยเป็นหมอหมอลำเก่าในข้าวอีสานแต่ท่านเขามาบวชแต่พอมาบวชแล้วก็พูดอะไรเลยก็เป็นคองเป็นจองไปเลยแบบนั้นแหะไหลลื่นไปแบบนั้นะ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 ร่างของท่านท่านมอบให้โรงพยาบาลหลวงปู่แสวงนะแต่ท่านมรณภาพไปแล้วแล้วก็ต่อมาก็พอนักเรียนแพทย์เรียนจากร่างของท่านแล้วก็ได้นํามาไปชุมเพลิงที่วัดป่าเขาโน้อยสัมผัสหลวงพ่อก็ทราบข่าวแต่ไม่ได้ไปงานศพของท่านหลวงพ่อไม่ได้ไปไม่รู้ว่าติดธุระอะไรในช่วงนั้นและได้มาพูดถึง ที่หลวงปู่สวงที่ท่านทําเป็นกรนหน้าฟังเหมือนกันคือท่านบอกว่ามีนายสวยัยเป็นเพื่อนกับนายงอนเป็นเพื่อนรักกันกับนายงอนพอมานายสวยัยเนี่ยเป็นคนมีอันจะกินในหมู่บ้านเพรหมือนกันทํามาค้าขายอะไรก็จเจริญรุ่งเรือง มีเงินว่างั้นในชุมชนนั้นแต่นายงอนนีก่ก็พอเป็นพอไปแต่ไม่ถึงกับยากจนแต่ก็มีลูกหลายคนพอมีลูกมาแล้วก่อนเนี่ยอยากจะไปยืมเงินของนายสวัยเนี่ยว่างั้นะที่เป็นเพื่อนกันให้ยว้ข้าขอยืมเงินโดยเถินข้าจะเอาไปลงทุนว่างั้น ลูกของข้าหลายคนให้ข้ายืมไปเถอะไม่มให้กล่มให้จมจิบหายหรอกถึงข่าวข้าก็จะส่งให้ทั้งหมดนั่นแหละแกไม่เชื่อข้าเลอข้าก็ไม่เคยคดเคยโกงที่ไหนแต่นี้มีข่าวนี้จำเป็นจริงๆเฮ้ยแกจะเอาเท่าไหร่เอาสักสิบสองบาทก็แล้วกันเอาสิบสองบาทเฮ้ยอย่าให้มันหลุดมันหล่นนะเงินเป็นของหายากนะอย่าให้ได้ทวงนะ ในงอนนี่ก็เอ้ยรู้จักร น, น้าไว้ใจกันแล้วกันจากนั้นตวงแหวงก็เลยมอบเงินให้ก็คงจะไม่มีสัญญงสัญญาไม่มีอะไรเพราะเพื่อนกันเมื่อกันแต่สมัยก่อนก็คงจะไม่เข่งทางกฎหมงกฎหมายอ่ะก็เลยมอบเงินให้สิบสองบาททีนี้ต่า ง, งอนออกไปแล้วก็ไปทาํามาค้าขายคงจะเจ๊งยังไงก็ไม่รู้ทีนี้พอเจ๊งทีนี้ก็ไม่มีเงินทีนี้พอไม่มีเงินทีนี้ก็ พอถึงกำหนดจะส่งดอกส่งผลคืนเพราะว่าเอาทั้งดอกทั้งผลคืนตกลงกันไม่เข้ามาใกล้าตาแสวงเลยเธอไม่เข้ามาใกล้เพื่อนเลยลบลบเละกละอยู่ยงั้นเธอทางลุงแหวงนะก็พยายามตามเมงนินนะตามนี่เพราะเป็นเงินมากอยอะเลยสมัยนั้นสองตำลึงสิบสองบาทพอไปเจอกันที่นี่ก็ไปถามว่าทําไมไม่มาออ้ยเงินไม่มีเงินซดแล้วเงนิน ทำยังไงเราเงินเอาไม่เลีไม่หนีก็แล้วกันนะ่ะจะให้เง้นสู่หน้าละบาทเลยเออเอาถ้าจะให้ก็ว่ากันวันไหนจะให้เก็ดัรณะกำหนดวันกันเลยพอถึงกําหนดอีกไม่ได้อีกแค่นี้พราไม่ได้อีกกออ็มึงทําไมไปอย่างนี้วะถ้ามึงตายข้ามคืนนะึกกูจะทํำยังไงวะมึงไม่ใช้หนี้สินกูอย่างนี้เงินทั้งสิบสองบาทถ้าว่ามึงไม่ใช่ไม่ใช้หนีก้กูกูนะ มึงให้มาเป็นควายกูก็แล้วกันนะให้มาเกิดเป็นควายใช้นี่ก็แล้วกันนะทำมึงไม่มีเงินกูไม่ให้จบไม่สิ้นนะงั้นให้มึงมารับใช้กูก็แล้วกันมาไทมาไถนาให้กูกันแล้วกันนะกูจะไม่ให้จบนะจากนั้นกระหารหลังให้กันพอมาเจอเอกตาแสวงกับคูอีกที่เป็นเพื่อนกันไงไอ่งอนแกยืมค่าไปแล้วทำไม ส่งมาสักครึ่งสักกลางก็ได้นี่นะ่ะอันนี้มันอกดูลักษณะมันจะเบี่ยวกันชัดๆนี่นามันไม่ให้ให้ทุนอะไรคืนเนี่นะ่ะโอ้ข่าเกือบจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วไม่รู้จะหาที่ไหนลูกก็หลายคนเหมือนพอที่สุดก็เลยเบี่ยงไปเบี้ยวมาเหมือนผลในที่สุดนายงอนก็เลยตายนายงอนตายก่อนเหมือนเลยพอนายงอนตายแล้วจะนี่ยมมาโทษเขาก็เอาไปหาเมืองยมมาโทษอะไร พอทั้งโยมมาโทษนโมทูเอานายงอนได้ทําอะไรไว้บ้างนายงอนก็ตอบว่าที่เห็นชัดๆก็คือนี่แล้วไปยืมเงินนายสแสวงนี่แหละไม่ได้ใช้นี่ใช้สินเขานายสแสวงก็ผูกเจ็บใจไปอยู่ว่าถ้าไอ้งอนตายเมื่อไหร่ให้มึงมาเกิดเป็นควายกูก็แล้วกันมึงจะได้ใช้นี่กูเั้นที่จะเอา หาเงินมาใช้หนี้กูกูมองไม่เห็นอะ ล, ลักษณะอย่างนี้เหมนั้นในสวัยว่าเหมนกันโอลนิสุก็เลยโยมบอกอ้าวถ้างนั้นกับไปใช้หนี้เขาสิไปกลับไปใช้หนี้เขาก่อนกรรมส่วนอื่นยังค่อยว่ากันบาปกรรมส่วนอื่นยังยังค่อยว่ากันให้ไปใช้หนี้กลับไปใช้หนี้เขาก่อนอันนี้มันมันเห็นเห็นอยู่แล้วเนี่ยเขาเจ็บใจเขาหนักใจอยู่เนี่ยเธอก็ไม่ได้ใช้หนี้เขาก็ตายมาจริงๆ วิญญาณของนายงอนันก็เลยกลับมามาเอ๊เราจะใช้นี่อย่างไรนะก็เลยป่วนเปลี่ยนเข้าไปเราไปเกิดในท้องควายของนายนายสวยพอไปเกิดเป็นท้องควายเกิดออกมาเป็นควายตุ๊กผู้เด็ดเลยพวกนี้เห็นโอ้ควายตัวนี้น่ารักจริงๆว่ะรู้สึกอ้วนท้วนรู้สึกน่ารักต่อมามันพอมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันก็เป็นควายที่แสนรู้อีกต่างหากทีน ไปที่ไหนมันแสนรู้บอกอะไรมันก็ได้ใช่ไหมต่อมาเขามันก็ออกทางหลังมันโค้งๆทางหลังตั้งชื่อไอ้งอนก็แล้วกันวะเหมือนก็ได้ตั้งชื่อวไงงอ้ง อ, ไงอนเหมือนนเอะได้ควายบักงอนบัตรีลยควายบักงอนเหมือนกันะไอ้งอนเหมือนกันถอะไี้พอต่อมาควายตัวนี้ก็แสนรู้จริงๆเถอะเวลาจะไปในทุงน่งนาเนี่ยเฮ้ยไอ้งอนมึงอย่าไปกินข้าวนะมึงกินแต่หญ้านะไป มันก็เดินเข้าไปในทุน่งนาเนี่ยมันกินแต่หญ้ามันไม่กินข้าวเลยงั้นเวลาท่านให้มึงกลับมาหน้าเที่ยงให้มึงกลับมานะไอ้งอนนะมึงจะไปเตลิดเปิดเปิงนะมันก็กลับมาตอนบ่ายนะไอ้งอนนะมึงไปกินหญ้าแล้วอย่าให้กูไปหานะให้กลับมาไถนานะมันก็กลับมาไทยนาเป็นควายแสนรู้ว่ะงั้นควายงอเพราะมันเกิดมาใช้หนี่ว่างั้นมาเกิดมาใช้หนี่ไอแสวงวะงั้น ทีนี้ควายตัว น, นั้นก็เลยเสียงกเง็เรืองเรืองลือไปว่าเนี่ยงอนมันมาเกิดเป็นควายแน่ๆเหมือนกันแะเพราะมันไม่ใช่นี่ของนายแสวงเหมือนกันเพราะนายแสวงบอกว่ามันบอกอะไรควายแต่มันเชื่อหมดเลยเหมือนกันเป็นควายแสนรู้จริงๆควายตัว น, นี้เหมือนกันบอกไปให้กินข้าวมันก็ไม่กินข้าวมันกินแต่หญ้าเลยปลอยไปท่วงน้ำก็กินแต่หญ้าอย่างเดียวมันไปที่ไหนมันก็ ไม่ให้เจ้าของหนักใจทีนี้พอต่อมาทีนี้ไอ้พวกลูกๆของนายงอนเนี่ยเขามีหลายคนเลยเนี่ยมันก็เครื่งใจแล้วทีนี้ทําไมไปหาตั้งชื่อพ่อคูว่าเป็นงอนมาเป็นควายวะทีนี้ก็ไปพร้อนะทําไมทําไมไปหาตั้งชื่อพ่อของผมว่าเป็นเป็นควายวอ้าวดูดูเสีมันเขางอนอีกต่างหากแล้วก็อีกอย่างหนึนไงไอ้งอนมันเป็น น, นี่คูเนี่ยวะ กูบอกว่ามึงตายไปให้มึงมาเป็นควายเนี่ยกูก็มั่นใจว่ามันมาเป็นควายกูเด้ยแล้วเพราะกูพ อ, พอบอกอะไรมันก็จำได้มึนแบบเกิดมาใช้หนีแท้ๆเลยไอ้ควายตัวนี้เองทงลูกของนายงอนเนี่ยโอ้ยไม่ได้ถ้าพูดอย่างนี้มันเป็นการดูถูกเกียดยามย่าหัวจิตหัวใจของพวกลูกๆห ล, ล, ลานของนายงอนเกินไปที่แล้วเนี่ยลุงแหวงเนียวันไม่ได้ต้องขึ้นศาลต้อง ปรับหมใส่โทษไปพูดได้ยังไงพูดอย่างนี้เอาชื่อคนมาเป็นชื่อควายคนพอในสูขกันเลยสั้งสองฝ่ายกันขึ้นไปหาศาลกำนันเลนกันแต่ก่อนมีศาลกำนันศาลผู้ยบันคือศาลกำนันในสูงสุดเลยกันแต่ในท้องถิ่นกำนันเป็นผู้ตัดสินก็เลยขึ้นไปหาศาล ก, กำนันกำนันกระถามนึกเอา้าเรื่องอะไรต่างคนก็ต่างไปให้เหตุผลก่อนแล้วงั้นแ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 งอนก็นคือพ่อของผมอะจะไปตั้งชื่ออย่างนั้นได้อย่างไงทําอย่างนี้พูดอย่างนี้มันก็ อ, อายบ้านอายเมืองทุกแห่งทุกหนดอย่างกำนันก็ถามเอาทําไมลุงแหวงทําไมจะตั้งชื่อว่าไอ้งอนเอพราะไอ้งอนในแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นเพื่อนกันไปมาทมาํามาค้าขายด้วยกันแต่พลในที่สุดขเขาก็มาขอยืมเงินของผมสองตำลึงสิบสองบาทผมกคยคิดว่าเป็นเพื่อนฝูง ก็คิดว่าไม่เบี้ยวไม่อะไรกันตะกอนหน้านี่กันเป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตเป็นทีนั้นไปเนื้อเชื่อใจผมก็ให้ไปเพราะได้เงินไปเท่านั้นแหละเป็นคนอื่นไปเลยหลบหลีกเลีลลลลล่ยงผมกับตาหน้าเจอที่ไรผมบอกถ้ามึงตายเป็นถ้ามึงไม่ใช่นี่กูนะมึงต้องเกิดมาเปิดเกิดเป็นควายกูให้กูได้ใช้มึงนะให้มึงมาเกิดใช่นี่เงินกูนะให้มาเกิดเป็นควายไถนาให้กูนะ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 ไอ้งอนมึงนั่งมึงนอนลงมันก็นอนลงไหมไอ้งอนยืนขึ้นมันก็ยืนขึ้นผมว่าไอ้งอนแน่ๆแหละมันเกิดเพราะอนั้นผมจึงตั้งชื่อว่าไอ้งอนทังนั้นก็ทาง้งคุณก็บอกว่าอ้าวจะทํำยังไงทีนี้จะปรับไหมเท่าไหร่ล่ะกับไรลุงแหวงกับปรับไหมขานัน่นกับคงจะเป็นหกสลึงลักษณะอย่างนั้นแหละเหมืนกัผมมันปรับไหมมันก็คงไม่มากแต่ลุงแหวงเอา้าปรับก็ปรับได้หกสลึงให้ ว่ตัวเองมีเงินเนี่แต่นี่นหะพอให้เงินไปแล้วเนี่ยกลับไปนี่ก่อนเนี่ยต้องค่าไอ้งอนช้ำแหละขายเลยที น, นี้เพื่อเอาเงินคืนหกสลึงเนี่ยจะต้องค่าไอ้งอนเนี่ยแหละเพื่อเอาเงินคืนผมไม่เอาไว้แล้ว่าเอาไว้ก็เรียกจะเรียกไอ้งอนอีกต่อไปมันก็กระเทือนใจกลับไปถึงบ้านนี่อนชำแหละมันละ่ะอ่นะเป็นที่รู้กันนะอ้านะ เอาก็เอาเราจะให้พอพูดเท่านั้นไอ้งอนได้ยินเท่านั้นน้ําตาพลูออกจากตาควายเหงนกันเถอะน้ําตาพลูออกจากควายควายร้องไห้เท่านี้ร้องไห้เห็นเลยจะชัดๆเลยทุกคนก็เห็นทั้งลูกก็เห็นทั้งทั้งนี้ก็เห็นเท่านี้นะกานันก็เห็นจกักรีพยานก็เห็นด้วยกันว่าไอ้ควายไอ้งอนร้องไห้น้ําตาไหลหยุด จะปบปบปบปบ ป, บ, ปบซุ้มเลยว่งงางั้นเถอะไอ้แววนก็ได้ทีอะไรก็ยิ่งพูดเสียงดังฟังชัดว่งงางั้นเถอะกลับไปนี่ก็ต้องชำแหละเนื้อไอ ง, งอนแน่ๆแล้ววะเราจะไม่พูดถึงไอ ง, งอนอีกทีนี้ฉากที่แล้วมันก็เป็นนี่เราคราวนี้มันก็คงจะเอาเนื้อมาทดแทนบ้างแล้ววะทางพวกญาติพี่น้องของลูกหลานของไอนอนโอ้ถึงยังไงยังไง มันก็รู้จริงๆว่ามันดูมันควายแสนรู้จริงๆถ้าเป็นพ่อของเราวิญญาณพ่อของเราจะทํำยังไงเนี่ยแล้วเอาไปชําแหละอย่างนี้ได้ยังไงโอ้ไม่ได้กระเทือนใจอย่างมากเอาลงแหวงเอาเถอะลงแหวนจะเอาเท่าไหร่ควายตัวนี้วะลงแหวงก็บ่าเอาสิบสองบาทก็แล้วกันแทนขึ้นว่างั้นสิบสองบาทพ่อผมสองตำลึงเนี่ย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 นิทานเรื่องนี้สอนสอนให้รู้ว่าเพราอนกันถ้าใครเป็นหนี้เป็นศินให้ทดแทนอย่าไปเบี้ยวหนี้เขาพราะเขาหาเงินมาด้วยความยากลําบากกว่าจะได้เงินคํามาแล้วก็มาปล่อยให้เราแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเจ้าหนี้ก็จะไปหน้าเลือดจนเกินไปเท่านะะั้นแหะให้มีคุณธรรมในจิตใจก็ควรจะมีน้ําจิตน้ําใจเขาไม่มีเราก็ควรผ่อนให้เขาขนาดไหนอย่างไรเพราะมนุษย์ชาติอยู่ด้วยกัน